ธรรมะสู่กันฟังไปก่อนเพื่อรอพระที่ยังไม่มาไปเรื่อยๆอหนีจากไปตั้งครึ่งเดือนคราวนี้นะหวังว่าผู้อยู่เบื้องหลังคงไม่ประมาทเพราะว่า ธรรมะคำสอนอันดใดแนวทางข้อปฏิบัติอันใดก็ได้แนะนำสั่งสอนหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถ้าว่ายังเกิดความประมาทอยู่ก็นับว่าจะเอาตัวไม่รอดเลยเนละผู้ที่เข้ามาปฏิบัติอยู่ในวัดวาอารามแห่งนี้ จะเป็นพระก็ดีเป็นโยมก็ดีก็คงทราบซึ่งในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่นำมาแนะนำสั่งสอนถ้าผู้มีบุญเก่าติดตัวมานะคนเรามันจต้องมีบุญเก่านะเป็นทุนนะมันยึงดูดจืมในคาสอนของพระพุทธเจ้า คนที่ไม่ได้ทำบุญกุศลพอสมควรมาแต่ชาติก่อนแล้วอย่างนี้จะมาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่ค่อยดูดื่มหรอกฟังไปก็เฉยๆเรื่อยๆไปอย่างนั้นแหละไม่ค่อยสะดุดใจผู้ที่มีบุญกุศลที่ตนได้สังสมมาแต่ก่อนแล้ว มันคล้ายๆกับแม่เหล็กนี่แหละมันดูดกันเข้าไปกลงกันข้ามผู้ที่เคยสั่งสมบาปมาอบรมนิสัยเป็นคนใจดำอ ม, มหิตมาเช่นนี้นะพอเกิดมาในชาตินี้มันก็เป็นคนใจดำอ ม, มหิต เมื่อมีเหตุอันไม่ดีกระทบกระทั่งเข้ามามันก็ลุกเป็นไฟขึ้นโทรสาพยายาทบตอันนั้นนี่มันดูดกันนะมือกับแม่เหล็กมึงกันนะความชั่วก็ดีเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนเรานี่ยมันจึงว่ามีความเป็นอยู่แตกต่างกันเรื่องความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่มันก็เป็นเครื่องสอสแสดงถึง ชาติถลหลังนูนะ่นถึงแม้ใครจะระลึกชาติผลหลังไม่ได้ก็ตามแต่กิริยาอาการที่แสดงออกในปัจจุบันนี่แหละหากเป็นเครื่องชี้บอกในอดีตชาติถลหลังว่าผู้นั้นได้ฝึกฝนอบรมตนมาอย่างไรในอดีตถลหลังนั้นนั่นแหละความประพฤติความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้จะเป็นเครื่องชี้บอก ให้ได้เลยมันเป็นงั้นผู้ที่ใจฝักใฝ่ในบุญกุศลมาแต่ชาติก่อนพอเกิดมาชาตินี้พอได้ฟังคำสอนของพระตเจ้าแล้วก็ตื่นตัวได้เชื่อบุญเชื่อกุศลเชื่อว่าบุญกุศลนี่อำนวยผลให้เป็นสุข แกผู้กระทาจริงๆและเชื่อลงว่าบาปนี่ย่อมเอานวยผลให้เป็นทุกข์แกผู้กระทำจริงๆนี่มันมันย่อมเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาในใจอย่างนี้ผู้มีความรู้ความเห็นขึ้นมาในใจอย่างนี้ถึงแม้ว่ามันจะได้ลุ่มหลงทำบาปมามันก็เพียรละบาปนั้นไป จะไม่สะสมบาปให้หนานแน่นขึ้นในตนเมื่อเวลามันยังไม่รู้นี่มันก็อย่างวางลมันก็หลงทำไปทุกคนนั่นแหละแต่ว่ามันถ้ามีอุปนิสัยติดมาเพราะว่าบุญนั่นมาถึงแล้วนี่มันทำให้ความรู้สึกตัวเกิดขึ้นมาได้ว่าบาปนี่ไม่ควรทาจริงๆอย่างนี้นะเนี่ยมันรู้เองเห็นเองขึ้นมาได้อย่างนี้แล้ว มันก็เพียนละบาบนั่นได้คนเรานะแต่ถ้าไม่รู้เองไม่เห็นเองขึ้นมาแล้วนี่ยากที่มันจะละได้แม้ผู้อื่นจะแนะนำให้ละให้เวน้นถ้าใจตัวเองไม่เห็นด้วยแล้วมันไม่ละดอกไม่ละคนเรานะมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่มีข้อบังคับอะไรที่จะมาบังคับให้ละบาบบังคับให้บมเพ็ญบุญกุศลอย่างนี้ไม่มีในโลกนี่ ไม่ว่าศาสนาใด เ, ออเหมือนกันหมดเลยมันสุดแล้วแต่ศรัท ธ, ธาของใครของเราสุดแล้วตั้งแต่ใครได้ทำความดีมาแต่ปางก่อนมันก็มาโดนใจให้เกิดสันทะความพอใจในการสั่งสมบุญกุศล ส, สืบต่อมัน เ, ออเป็นอย่างนี้ <c oughs> ดังนั้นแหละในพุทธศาสนานี่ พระพุทธเจ้าก็จึงทรงสั่งสอนพุทธบริษัทว่าให้มันไปชุมกันเนืองนิดในอปริหานิยธรรมนะเจ็ดอย่างนั้ น, นทรงแสดงไว้ผู้ใดมีคุณธรรมเจ็ดประการนี้อยู่ในใจแล้วผู้นั้นไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียว พระองค์ทรงแสดงว่าอย่างนี้มันก็นับว่าเป็นความจริงนะเพราะคนเรามไม่ได้รู้มาแต่เมื่อเกิดจริงอยู่หรอกแต่ชาติก่อนนั้นก็คงจะได้เรียนรู้อะไรต่ออะไรมาบ้างแต่เมื่อตายลงนละ้วอวิชชาตัญหามันครอบเงินจิตใจไปพอเกิดขึ้นไปชาติใหม่ต่อไปนี่ มันก็ต้องตั้งเข้าเรียนใหม่อีกตั้งเข้าพยายามภาคทียนละอวิชชาตันหานั่นให้เบาบางออกไปจากกิจใจช น, นี้แล้วไอความรู้ที่เคยเรียนมาแต่ชาติก่อนนั้นมันจึงจะโผล่ขึ้นมาให้รู้ให้เห็นได้แต่ถ้าหากว่าผู้ใดยังไม่สนใจที่จะฝึกตนนะ ปล่อยให้อวิชชาตันหามันครอกงำจิตอยู่อย่างนั้นความรู้ความจำอะไรที่ติดตามมาแต่ก่อนนั้นมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกับมืดกับสว่างนี่นะพอมันมืดแล้วอย่างนี้มันก็มันก็ไม่สว่างเป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่ที่นี่คนเรามันก็มีปัญญาเอ า, ญญาพยายามพลิ แสงสว่างให้เกิดขึ้นเพื่อทำลายความมืดนั้ น, นอย่างนั้นพิดกระแสไฟให้เกิดขึ้นไฟฟ้าบ้างไฟฉายบ้างอะไรหมุนนี่พอเปิดกดสวิชเข้าไปเท่านั้นแสงสว่างก็พุ่งออกมาจากหลอดไฟสว่างไปทั่ว อันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้มันก็ถูกอวิชชาตัญหาครอบงำจิตใจเหมือนกันหมดทีนี้เมื่อมาได้ฟังคำสอนของพระติเจ้าแล้วรู้จักอุกบายวิธีกำจัดอวิชชาตัญหานี่แล้วแล้วก็ลงมือปฏิบัติกัน เมื่อลงมือปฏิบัติไปจนไปถึงขั้นภาวนาทำใจให้สงบระงับลงไปได้ละกิเลสจยงหยาบอย่างกลางให้สงบไปจากดวงกิจดีให้ได้เมื่อใจสงบอยู่ได้เพราะการละกิเลสเหล่านี้ให้สงบลงไป จิตใจนั้นก็ย่อมผ่องใสตามเดิมของมันเพราะตามปกติของจิตนี่นะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามันผ่องใสอยู่เหมือนอย่างทองคำธรรมชาตินี่นะโตทองคำธรรมชาติแท้นั่นมันย่อมมีสีสันวันนะเลื่อมประพัดสอนสีเหลืองอาราม แต่ว่าอาศัยดินกับหินนั่นหุ้มห่อไว้เอทธิหมีของทองคำมันั้นจึงไม่ปรากฏแม้แก้วก็เหมือนกันที่ว่าใสที่สุดก็คือแก้วแต่เมื่อจมอยู่ในดินในหินก็ไม่มีแสงออกมาพอขุดค้นเอาจากดินจากหินออกมาแล้วอย่างนี้มันก็ส่องแสงสว่างออกมาทันทีเลยเป็นอย่างนั้น อันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อบุคคลใดมาฝึกพนอบรมจิตนี่ให้สงบระงับ <c oughs> จากนิวรณธรรมทั้งห้าประการนั่นได้จิตของผู้นั้นก็ย่อมผ่องใส <c oughs> เมื่อจิตผ่องใสแล้วนี่ก็หมายความว่ามันก็เหมือนอย่างที่ออกดสวิต ค, ควาฟ้าอย่างว่านั่นแหละ มันก็สว่างจ่าออกมาเงี้ยวันนี้จิตนี่ก็เหมือนกันนะเมื่อทำให้สงบลงไปแล้วมันก็มีความสว่างสวัยเกิดขึ้นมาพอนึกว่าอยากจะรู้เรื่องนั้นอย่างนี้เรื่องนั้นก็จะปรากฏขึ้นในใจยิเพลงเง้นที่พระพุทธเจ้าจัดตรัสว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์นั้นเป็นอย่างไรหนออย่างนี้นะ พอวิตกขึ้นเท่านี้เลยมันก็รู้ก็เห็นไปสุดแล้วแต่ว่าปัญญาของใครจะมากแค่น้อยเท่าไรมันก็รู้ขึ้นมาได้อ่ว่าความเกิดขึ้นมามันเป็นทุกข์มันก็เริ่มต้นตั้งแต่เข้าไปปฏิสนธิอยู่ในท้องของมารดา น, นั่นมันก็แสนยากแสนลำบากนึ่งนี้มันก็เห็นไปได้ด้วยปัญญาเนั่นนะอ่าพอเวลา คลอดนี่ก็แสนลําบากบางคนก็คลอดยากอืถึงได้ก็ผ่าท้องออกมาต้องลําบากทั้งลูกทั้งแม่นี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าชาติของเกิดเป็นทุกข์มันก็เป็นอย่างนี้แล้วมันก็ทุกไปโดยลําดับลําดับไปทุกข์แต่อยู่ในท้อง เ, อเวลาจวนจะคลอดออกมาก็เป็นทุกข์คลอดออกมาแล้วก็เป็นทุกข์ ช่วยตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยแม่อาศัยผู้อื่นช่วยประคับประคองเลี้ยงดูเอา้าเจริญไว้ใหญ่โตมาแล้วอย่างนี้ก็เป็นทุกข์พอมาหากินแบบ น, นี้นะนั่นเนี่หาใส่ปากใส่ท้องนจะไปอาศัยกินตะกับมารดาบิดาหรือโปร่งสาคณายาเดิอื่นก็ไม่ได้เลยต้องแสวงหาปัจจัยทางสีลนี่มา บำรุงอัตภาพร่างกายอันนี้อยู่อย่างนั้นเน่บางคนก็ถึงกับเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะทำงานหนักเกินขอบเขตเพราะอยากได้อะไรต่ออะไรมากมายลงมือทำงานไม่หยุดยัง้งไม่มีเวลาพักผ่อนก็ถึงร่างกายนี้ก็สุดโทรมลงไปบางคนก็อายุสั้นอยู่ไปไม่ทันถึงอายุไขก็ ตายไปแล้วเพราะเหตุว่ามันกลากกรรมการงานเกินขอบเขตก็มีนะบางคนนะอายุไครยังไม่หมดก็ตายได้ทั้งนี้ก็เพราะตัณหาความอยากอ น, นั้นแหะมันเมื่อบุคคลบรรเทาตัณหาลงไม่ได้แล้วตัณหามันครอบงมจิตใจแล้วมันก็ใจก็มีแต่ความอยาก เหลือล้นพ้นประมาณเมื่อมันอยากมากมันก็บังคับกลายวาจานี่ทำการทำงานลงไปยังไม่หยุดไม่หย่อนเลยเมื่อเป็นเช่นนี้จะมาให้มันเป็นทุกข์อย่างไรแล้วนั่นเน่ยอดนอนอดอาหารเพราะทัาเครียดในการงานนอนหนึ่งก็โรคภัยเบียดเบียนขึ้นมาน ก็ได้รับทุกทนทรมานไปนอกจากโรคภัยเบียดเบียนแล้วก็ความแก่ความชราอนไรก็ครอบงำไปร่างกายก็สุดโทรมลงลุกก็ยากนั่งก็ยากฟันก็โยกคลอนเจ็บปวดเคี้ยวอาหารก็ไม่สะดวกตาก็มองอะไรไม่เห็นชัดหูก็ อือฟังเสียงอะไรก็ไม่ชัดมูนีลองสันนิษฐานดูสิที่พระพุทธเจ้าตรัสชาติความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้เป็นทุกข์อย่างนี้นี่แหละเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็มองเห็นสภาพของร่างกายอันนี้มันเป็นทุกข์ทนได้ยากลําบากอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นจริงๆทีเดียวแหละ แล้วสุดท้ายเมื่อรู้ว่าตนจะตายอย่างนี้ยิ่งเป็นทุกข์ใจหลายสําหรับผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมตนไม่ได้มีบุญกุศลคุณพระตัตนากลายเป็นที่พึ่งในใจแล้วก็เป็นทุกข์หลายแล้วทีนี้กลัวตายก็กลัวกลัวพัดรากจากของรักของชอบใจต่างๆในโลกอันนี้ก็กลัวนั่นแหละ ความทุกข์อะไรๆมันก็ไปรวมลงเวลาจวนจะตายน่นหมดเลยเพราะฉะนั้นพระองค์เจ้าจึงจะเอาความตายเป็นทุกข์บางคนเพราะว่าอ้าวตายไปแล้วมันจะไปรู้จักอะไรล่ะทําไมจึงว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ได้หมายอย่างนั้นหมายเมื่อเมื่อรู้ว่าตนจะตายนี่สินี่แหละมันเป็นทุกข์อ่ะหมอช่วยไม่ได้แล้วอย่างนี้นะ นีมันเป็นทุกข์หลายเลยผู้ที่ไม่รู้เท่าผู้ที่ไม่ได้ภาวนาไม่ได้พิจารณาให้รู้แจ้งร่วงหน้าไว้แล้วก็ยอมเป็นทุกข์แล้วก็สะดุ้งหวาดกลัวดังนั้นในอภินาหาปัจเวกนั่นนะพระพุทธเจ้ายังได้ทรงสอนให้นึกถึงความแก่ความเจ็บความตายนี่ทุกวันทุกวันเลย นึ ก, กว่าเราเกิดมามีรูปมีนมามนี้มาแล้วมันต้องแก่มันต้องสุดโทมไปแล้วก็มีโรคภัยมาเบียดเบียนบะนีเมื่อร่างกายสุดโทมไปแล้วเวลายังหนุ่มแน่นภูมิคุ้มกันมันยังแข็งแรงอยู่มันก็ยังป้องกันโรคภัยไข้เจ็บไม่ให้เกิดขึ้นในร่างกายนี้เปลี่ยนเสียแต่กราเวนหนนหลังมันจะตามมาสนองเอา แต่ทีนี้พอถึงไหวชรามาแล้วนะอร่างกายนี่มันก็สุดโสมลงไปธาตุปินธาตุน้านําธาตุไฟธาตุลมมันนี่ก็น้อยลงไปสุดโสมลงไปไม่แข็งแรงอยู่เหมือนเดิมแล้วอออย่างนี้แหละเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันทรุดโทรมลงไปแล้วนี่รับประทานอาหารก็ไม่ได้เต็มที่เลย รสชาติของอาหารก็ไม่อร่อยเหมือนแต่เมื่อ ย, ยังนุม่มอนอนก็หลับไม่ได้มากหลับไปนอนหนึ่งแล้วก็ตื่นอะไรอะไรมันก็ลดน้อยถอยเบาลงเบาบางลงไปเลยสังขารร่างกายอันนี้อันนี้พระพุทธเจ้าจึงตัดว่าทุกขังแปลว่าทนได้ยากทนลําบากทนอยู่ไม่ได้ แต่คนผู้หลงผู้เมาแล้วหากไม่ยอมรับรู้ความทุกข์ของร่างกายสังขารอันนี้ปัญหามันมีอยู่ตรงนี้เรื่องมันนะมีแต่ผู้ที่ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้ส ง, งบลงไปนั่นแหละจึงยอมรับรู้ความเปลี่ยนแปลงความทนได้ยากลำบากของร่างกายสังขารอันนี้จึงยอมรับว่าโอ้เป็นความจริงอย่างนี้ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันก็จะต้องวิตกแล้วเราจะเกาะกลวยเอาไปทำไมบะนีะ้เราจะมายึดมั่นถือมั่นอยู่ในโลกอันนี้ทำไมในเมื่อมาอาศัยโลกอันนี้อยู่แล้วก็โลกอันนี้ก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่เป็นในทามใจหวังเลยใครจะไปอยากสุดโสมลนะ่ะมีอัตภาพร่างกายนี้มาแล้ว